จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบางเพ็ญมาปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติให้ดำเนินตามเพราะเป็นทางเดียวที่จะพาสัรโลกทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เป็นทางที่ตรงที่สุด ไม่มีทางอื่นที่จะลัดมากกว่า น, นี้ตามหลักวิทยาศาสตร์เขาว่าทางที่จะเชื่อมจุดสองจุดนั้นก็คือเส้นตรงถ้าเป็นเส้นที่ไม่ตรงนั้นจะยาวถ้าเส้นตรงนี้จะเป็นทางที่สั้นที่สุดที่เชื่อมระหว่างสองจุดด้วยกัน คือจุดที่พวกเรากำลังอยู่ในตอนนี้และจุดที่พวกเราต้องการจะไปถึงทางของพระพุทธเจ้านี้เป็นทางเดียวเป็นทางตรงเป็นทางที่สั้นที่สุดอย่าไปเสียเวลาหาทางที่สั้นกว่านี้เพราะจะไม่มีทางที่จะพาที่จะที่จะเป็นที่จะสั้นกว่านี้ได้นั่นเองดังนั้นขอให้เรามีศรัทธา ความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติให้เราดำเนินก็คือให้เราเดินตามทางที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ที่ทรงเรียกว่ามัชิมาปฏิปทาทางสายกลางทางที่อยู่ระหว่างความสุขทางโลกและความทรมานที่ไม่เกิดประโยชน์ ทั้งหลายให้ใช้ทางสายกลางที่มีองค์ประกอบอยู่แดองค์ด้วยกันเรียกว่ามัดแปมัดแปนี้เปรียบเหมือนกับรถยนต์ที่มีส่วนประกอบต่างๆขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปรถยนต์ก็จะไม่สามารถวิ่งไปได้เช่นท้าขาดล้อ ก็ไม่สามารถที่จะวิ่งไปได้ขาดเบรกวิ่งไปได้ก็จะเกิดภัยอันตรายจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง <c oughs> ถ้าไม่มีพวงมาลัยก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้รถวิ่งไปในทางที่ต้องการจะไปได้นักแปดจึงเป็นส่วนประกอบของ ยานหรือของรถที่จะพาให้ผู้ที่ขับนั้นได้ไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างสวัสดิภาพและปลอดภัยดังนั้นขอให้พวกเราพยายามยึดมักแปดนี้ไว้เป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตของพวกเราเวลาเราจะทำอะไรขอให้เรากลางมักแปดออกมา เปรียบเทียบว่าเป็นเป็นการกระทำตามที่มรรคแปได้แสดงไว้หรือไม่หรือเรากำลังไปอีกทางหนึ่งถ้าเราศึกษามรรคแปกไว้แล้วรู้ความหมายของแต่ละองค์ประกอบเราจะได้มี <c oughs> มาตรฐานวัดการประพฤติการปฏิบัติการดำเนินชีวิตของเราว่า เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่นั่นเองนักแปดจะมีองค์ประกอบประกอบอยู่8ประการด้วยกันองค์แรกท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องความเห็นนี้ที่ถูกต้องนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันระดับปฐมระดับอุดมศึกษาสาหรับ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 ถ้าเราไม่มีความเห็นอย่างนี้เช่นเราเห็นว่าบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบุญไม่มีกรรมไม่มีเวียนว่ายตายเกิดไม่มีตายแล้วสูงถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเรามีมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดความเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่มีว่ามี ส่วนสิ่งที่มีกับเห็นว่าไม่มีเป็นต้นดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องตรวจถามตัวเราเองก่อนว่าเรามีความเห็นอย่างไรเรามีความเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่คือเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือไม่พูดอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเรายังไม่เห็นเราก็เป็นเหมือนคนตาบอดแล้วคนตาบอดจะเห็นได้อย่างไร คนตาบอด ก, ก็ต้องอาศัยคนตาดีสอนให้ลืมตานั่นเองความยิงตาไม่บอดเพียงแต่ว่าตาถูกสิ่งเครื่องพันธนาการปิดเอาไว้เช่นถูกถูกเอาผ้าปิดตาเอาไว้คนตาดีก็จะบอกว่าถ้าอยากจะเห็นอย่างคนตาดีก็เอาผ้าออกแล้วเขาก็จะบอกวิธีการที่จะเอาผ้าออกว่าทำอย่างไรบ้าง ในเบื้องต้นก็ต้องมีความเชื่อในคนตาดีเช่นอย่างพวกเราเปลียนเหมือนคนตาบอดยังขาดสัมาทิฏฐิยังไม่เห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแท้จริงเราก็ต้องอาศัยคนที่เขาเห็นคือเชื่อเขาไปก่อนเชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงแล้วทาตาม ถ้าเราเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกผลเป็นผลที่เกิดจากการทำบาปสวรรค์เป็นผลที่เกิดจากการทำบุญเราก็พยายามทำตามที่เขาสอนเราคือถ้าเราต้องการจะไปให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายถ้าเราต้องการพบกับความสุขต่างๆ เราก็ต้องทำแต่บุญบาปเราก็ต้องละอย่างนี้ถึงจที่เรียกว่าเป็นการเชื่อคือเชื่อเฉยๆนี้ไม่เกิดประโยชน์เชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงแต่บุญก็ไม่ยอมทำยังทำแต่บาปอยู่อย่างนี้เชื่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับคนบอกว่ามีของอยู่ตรงนั้นมีทองอยู่ตรงนั้น ถ้าอยากจะได้ก็ต้องเดินไปหยิบเอาเองแต่ถ้าเชื่อแต่ไม่เดินไปหยิบเอาก็จะไม่ได้ทองฉันใดสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็เป็นเหมือน เ, อเหมือนกับการชี้ทางบอกว่าของดีๆต่างๆที่พวกเราทั้งหลายปรารถนานั้นอยู่ตรงไหนแต่ถ้าไม่สามารถที่จะไปหยิบให้เราได้เราต้องไปหยิบกันเอง ดัง น, นเมื่อเราเชื่อว่าตรงนั้นมีทองเราก็ต้องถ้าเราอยากได้ทองเราก็ต้องเดินไปตรงนั้นถึงแม้ว่าจะลำบากบ้างอาจจะมีหน้องน้ํามีขวากน้ําแต่ก็ไม่ได้ถึงกับสุดวิสัยเราพยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่ขวางทางเราอยู่ไปเรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้าง ง่ายบ้างยากบ้างแต่ในที่สุดเราก็จะได้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญแล้วเราก็ต้องทาตามที่ทรงสอนให้ทาบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ให้ลาบบาปทั้งปวงเสียนี่คือสัมมาทิฏฐิในระดับพื้นฐาน ความเห็นที่ถูกต้องส่วนความเห็นที่ถูกต้องในระดับสูงขึ้นไปนี้ก็คือการเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีการสิ้นสุดได้มักก็คือการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ไม่มีใครที่จะไม่ ไม่สามารถอยู่ที่ว่าจะมีศรัทธามีวิรยิยะความอุสหาหะภาคเปี่ยนมีสติปัญญาพอที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ <Yeah. S 1> แล้วก็มีความเห็นว่าทุกข์นั้นอยู่เกิดที่ใจอยู่ในใจเหตุของการเกิดทุกข์ก็อยู่ในใจคือความอยาก ทั้งสได้แก่กามาตัณหาความอยากในการภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้วการดับทุกข์ก็จะดับที่ใจและสิ่งที่จะดับทุกข์ได้ก็คือมัตที่มีองค์แปนี้เองเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิดังนั้นถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิ ก็แสดงว่าเราเริ่มมีการดับทุกข์แล้วมีเครื่องมือดับทุกข์แล้วแต่ยังไม่พอเพียงยังมีเพียงชิ้นเดียวเราต้องมีทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันถึงจะดับทุกข์ได้อย่างถาวรได้อย่างหมดสิน้นดังนั้นหลังจากที่เรามีสมาทิติแล้วองค์ประกอบองค์ที่สองที่เรา ต้องมีก็คือสัมมาสังกปรคือความดำริชอบแปลว่าความคิดที่ถูกต้องเมื่อเรามีความเห็นหรือความเชื่อว่าบาปมีจริงเราก็ต้องมีความคิดที่ถูกต้องตามมาว่าเมื่อมีบาปบาปมีจริงผลที่เกิดจากการทำบาปก็คือนรกคือคืออบายเราก็ต้องละการกับทำบาป คิดด้วยการไม่ไม่ทำบาปต่อไปนี้จะไม่คิดไม่ทำบาปเวลาคิดทำบาป ก, ก็จะต้องหยุดคิดหรือไม่ทำตามเช่นคิดอยากจะดื่มสุราก็จะไม่ดื่มหรือจะบังคับไม่ให้คิดเลยก็ได้แต่การที่จะไม่ให้คิดเลยได้นั้นก็ต้องหยุดคือทุกครั้งที่อยากจะดื่มสุราแล้วไม่ได้ไม่ทำตาม ต่อไปความคิดนั้นก็จะอ่อนแรงและหมดกำลังไปในที่สุดเหมือนกับต้นไม้ต้นยาที่เราไม่ลดน้ำให้นั่นเองถ้าต้นยาไม่ได้รับน้ำปล่อยทิ้งไว้ไปนานๆเข้าก็จะแห้งตายไปเองฉันใดความอยากการทำยากความอยา ก, ายากทำบาปก็เป็นเช่นนั้น เราอยากจะทำบาปแล้วเราไม่ทำตามต่อไปความอยากนั้นก็จะค่อยๆหายไปแล้วก็หมดไปเองนี่คือสัมมาสังกัปโปความดำริอชอบความคิดที่ถูกต้องคิดว่าบาปมีจริงและควรจะละบุญมีจริงควรจะทำให้มากเพราะทำบุญแล้วจะทำให้มีความสุข ทำบาปแล้วจะทําให้มีความทุกข์นี่คือความคิดเราต้องดูความคิดของเราเพราะความคิดของเรานี้จะพาเราไปสู่การกระทําต่อไปก็คือการกระทําทางกายที่เรียกว่าสัมมากรรมโตคือการกระทําที่ถูกต้องถ้าเรามีความคิดที่ผิด เราก็จะไม่มีสัมมากัมมันโตถ้าเราคิดดื่มสุราแล้วเราก็ทำตามความคิดเราก็จะไม่มีสัมมารัมมันโตแต่จะมี ม, มิจฉากัมมันโตคือมีการกระทําที่ผิดการกระทําที่จะไม่ดับทุกข์แต่เป็นการกระทําที่จะสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปดังนั้นเราก็ต้อง ศึกษาว่าสัมมากัมมันโตนี้มีอะไรบ้างก็มีอยู่สข้อใหญ่ๆที่สำคัญก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีนี่คือการกระทาที่เราจะต้องไม่กระทาถึงจะเรียกว่าเป็นสัมมากัมมันโตถ้าเรายังฆ่าสัตว์ยังลักทรัพย์ยังประพฤติผิดประเวณีอยู่ ก็แสดงว่าเราไม่มีสัมมากัมมันโตเรามีสัมมาเรามีมิจฉากัมมันโตซึ่งจะพาให้เราไปอีกทางหนึ่งคือแทนที่จะไปทางทางที่จะดับทุกหมดทุกเราก็จะไปทางที่จะมีทุกเพิ่มมากขึ้นไปดังนั้นเราต้อง <c oughs> มีสัมมากัมมันโตก็คือ ต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีส่วนการกระทำอื่นๆที่สนับสนุนเราก็ต้องละไปด้วยเช่นการดื่มสุราเพราะการดื่มสุราจะทำให้เราไม่สามารถควบคุมความคิดควบคุคมการกระทาได้พอมินเมาแล้วก็จะเหมือนกับรถที่ไม่มีคนขับหรือรถที่ไม่มีเบรกจะ ถึงเวลาเบรกจะเบรกไม่ได้ก็จะไปทําบาปไปทํามิจฉากรรมันโตดังนั้นเราก็ต้องรักษาคือเราก็ต้องละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาแล้วส่วนการพูดที่เรียกว่าเป็นการพูดที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาวาจาก็ต้องเป็นองค์ประกอบที่เราต้อง มีด้วยอีกองคหนึ่งคือเราต้องพูดความจริงไม่พูดปดไม่พูดพลุศวาาคือคำหยาไม่พูดเพอเจอและไม่พูดส่อเสียดส่อเสียดนี้แปลว่าพูดยุยงให้เกิดการแตกสามคัคคีอันนี้ไม่เลยหมายถึงเสียดสีแต่หมายถึง พูดให้คนที่เขาอยู่ร่วมกันอย่างสงบนั้นแตกแยกแตกสามัคคีกันเช่นถ้าไปยุยงให้สงเกิดความแตกสามคัคคีนี่ถือว่าเป็นอนันตริยกรรมเลยคือเป็นบาปที่หนักที่สุดซึ่งมีอยู่ห้าห้าอย่างด้วยกันคือฆ่าฆ่าพระอรหรันต์ ฆ่าพ่อข้าแม่ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดแล้วก็ยุยงให้สงเกิดความแตกสามคัคคีผู้ใดทำกรรมเหล่านี้ถือว่าได้ทำกรรมที่หนักที่สุดถ้าเป็นโทษก็ประหารชีวิตอย่างเดียวนี่คือคำว่าสอเสียเราจึงไม่ควรที่จะไปพูดยุยงให้คนที่เขา รักกันนั้นแตกแตกสามขีดหรือมีความลังเลสงสัยไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในกันต่อกันและกันถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงเราก็ไม่ควรพูดคำว่าพูดความจริงนี้หมายความว่าพูดในกรณีที่เกิดคุณแต่ถ้าเป็นความจริงแล้วเกิดโทษ ก็ไม่ควรที่จะพูดควรจะปล่อยให้เป็นเรื่องของบุญของกรรมไปจะดีกว่าเพราะถ้าเราพูดไปแล้วเกิดโทษโทษนั้นก็จะกลับมาหาเราได้ถ้าเราไปพูดแล้วทำให้ผู้อื่นเขาเกิดโทษถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนพูดเขาก็อาจจะตามมาล้างแค้นสร้างเวรสร้างกรรมให้กับเราได้ ดางนั้นการพูดถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงแต่พูดแล้วเกิดโทษทำให้เราต้องทุกข์วุ่นวายใจก็อย่าไปพูดดีกว่าทำเป็นเหมือนคนคนว้าไปเป็นคนไม่รู้ไม่ชี้ไป <c oughs> เพื่อที่ <c oughs> เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ตัดปัญหาต่างๆที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเรานั่นเอง การปฏิบัติของเรานี้มุ่งไปยุตสู่จุดเดียวเป้าเดียวก็คือคาการดับทุกข์เราไม่ต้องการมาสร้างความยุติธรรมให้กับใครความยุติธรรมนั้นมันมีอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วก็คือในกฎแห่งกรรมนี้ใครทำบุญมันก็จะได้ดีเองดองีถึงแม้เราจะพูดหรือไม่พูดกรตามไม่สําคัญคนทำบาปก็เช่นเดียวกันเราจะพูดหรือไม่พูด ผลของบาปก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งจะดีกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของชาวบ้านไปใครดีเขาก็รับผลดีของเขาไปเองใครชั่วก็ปล่อยให้เขารับผลชั่วของเขาไปเองแต่ถ้าเราพูดแล้วไม่เกิดโทษเกิดคุณก็พูดได้เ้ราพูดแล้วเขาได้รับรางวัลจากการทำความดีของเขา ถ้าเราไม่พูดเขาไม่ได้อย่างนี้พูดไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราพูดแล้วเขาเกิดโทษกับเขาเราก็อย่าไปพูดจะดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะกลับมาหาเราความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆจะกลับมาหาเราเราจึงต้องระมัดระวังในเรื่องการพูดเรียกว่าสัมมาวาจานี้พูดความจริงพูด พูดคำสุภาพคือไม่ไม่พูดคำพลุษวาสแล้วก็พูดด้วยเหตุด้วยผลอย่าพูดเพ้อเจอ้อคือนินทากาเลพูดนินทาคนนั้นคนนี้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์พูดเหตุพูดผลดีกว่าที่เรียกว่าสนธนาธรรมสนธนาธรรมนี้พูดแล้วจะเกิดประโยชน์ทั้งกับผู้พูดเองและกับผู้ฟัง เช่นในขณะนี้กาลังพูดเรื่องเหตุเรื่องผลให้ฟังผูพ้พูดก็ได้ประโยชน์เพราะได้ขุดคุยเอาสิ่งที่ตนรู้นี้ออกมาให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้และผู้ฟังก็จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิได้ความสงบผู้แสดงก็ได้ความสงบ เพราะการคิดไปในทางธรรมก็ทำจิตใจให้สงบถ้าไปคิดในทางโลกก็จะทำให้จิตใจรุ่มร้อนขึ้นมาได้ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> ขอให้เรามีสัมมาวาจาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกองค์หนึ่งองค์ต่อมาที่เราต้องมีก็คือสัมมาอาชีโวคือมีอาชีพที่ถูกต้อง ก็คืออาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงก็คือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะเอาไปขายเอาเงินเอาเทองมาทางอ้อมก็คือเลี้ยงสัตว์ต่างๆแล้วก็ขายให้คนอื่นเขาไปฆ่าแทนอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะกระทำอาชีพที่จะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นค่าขายสิ่งที่มีชีวิต เพื่อที่จะเอาไปฆ่าเป็นอาหารอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็การค้าขายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายและจิตใจเช่นสุรายาเมาผู้ดื่มแล้วก็จะขาดสติแล้วก็จะไป <c oughs> ทำร้ายผู้อื่นได้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือค้าขายสิ่งยาพิษต่าง ที่จะต้องเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้อื่นหรือค้าขายสัตว์ราวุธต่างๆอาวุธชนิดต่างๆที่เอาไว้ฆ่ากันอย่างนี้เป็นตน้นนี่คืออาชีพที่เราควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่ควรที่จะกระทำเพราะไม่เป็นสัมมาอาชีพนั่นเองสัมมาอาชีพก็เป็นอาชีพที่สุดจริตไม่ผิดกฎหมาย และไม่สร้างพูไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นอาชีพอาจารย์ครูพยาบาลหมอเป็นต้นเป็นอาชีพที่อยู่ในขายของสัมมาอาชีพองค์ประกอบองค์ต่ อ, อมาที่เราจะต้องมีก็คือสัมมาวายามูแต่ว่า ความภาพเพียนที่ถูกต้องความเพียนชอบความภาพเพียนในทางพระพุทธศาสนาของหรือในทางมรรคเนี่ก็มีอยู่สประการด้วยกันคือหนึ่งจงสร้างบุญที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นสองให้รักษาบุญที่เรามีอยู่แล้วให้คงไว้เช่นเราเคยทำบุญเราก็ต้องทำต่อไปไม่ควรหยุด ถ้าบุญส่วนอื่นที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องทับเพิ่มขึ้นไปเช่นถ้าเราเคยทาบุญตักบาตรอยู่เป็นประจาเราก็ต้องทาต่อไปส่วนศีลถ้าเรายังไม่ได้รักษาเราก็ต้องรักษาภาวนาถ้าเรายังไม่ได้ภาวนาเราก็ต้องเริ่มภาวนากันอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการสร้างบุญที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้น ส่วนข้อที่สก็คือให้เราละบาปที่เรายังไม่ได้ละเช่นถ้าเรายังดื่มสุรายาเมายังพูดปดยังลักทรัพย์ยังประพฤติผิดประเวณียังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เราก็ต้องเลิกเราต้องไม่ทำสีบาปที่เราได้ละแล้วเราก็ต้องไม่กลับไปทำอีก เช่นถ้าเราละการฆ่าสัตว์ได้แล้วละการลักทรัพย์ได้แล้ ว, ลรลลวเราก็อยากกลับไปทําอีกนี่คือความเพียงพยายามในสกรณีด้วยกันคือหนึ่งทำบุญที่เราสร้างบุญที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นบุญที่มีอยู่แล้วเราก็รักษาไว้บาปที่เรายังเรายังทําอยู่เราก็ต้องละ บาปที่เราละได้แล้วก็อย่ากลับไปทำอีกนี่คือสัมมาวายาโมความภาคเพียรที่ถูกต้องประการต่อมาก็คือสัมมาสติสัมมาสติแปลว่าการระลึกชอบคือการมีความรู้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าเรากำลังจะทำอะไรให้เรารู้อยู่กับเหตุการณ์นั้นเสมออย่าไปรู้กับเหตุการณ์อย่างอื่นพร้อมๆกันเช่นเรากำลังนั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่ก็ให้มีสติรู้อยู่กับการฟังธรรมอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะจะทำให้จิตไม่ตั้งมั่นไม่เป็นสมาธิ เวลาฟังอะไรก็จะฟังไม่เข้าใจเพราะใจไม่ได้ฟังนั่นเองฟังแต่กายเสียงเข้ามาที่หูแต่ใจขาดสติที่จะรับเสียงนั้นเข้าไปสู่ใจถ้าเป็นการเทน้ำก็เหมือนกับคว่มแก้วไว้เทน้ำเข้าไปในแก้วก็จะไม่สามารถเก็บน้ำไว้ได้เพราะแก้วไม่ได้หงายขึ้น เราต้องมีสติหงายใจไว้รับกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกำลังฟังธรรมก็ให้อยู่กับการฟังธรรมกำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารไม่ใช่รับประทานไปแล้วก็คุยกันไปอย่างนี้เรียกว่ารับประทานแบบมึนเมาไม่มีสติเวลาพระท่านฉันท่านจึงต้องฉันอย่างสงบ คือไม่สนทนาไม่คุยกันสังเกตดูเวลาไปวัดที่มีความเค่งครัดในเรื่องการขบการฉันถึงแม้จะมีพระอยู่เป็นจำนวนมากมายแต่จะไม่มีเสียงออกมาเลยเพราะท่านฉันด้วยการมีสติจิตของท่านเฝ้าอยู่กับการฉันจะไม่มีเสียงกระทบให้ได้ยินถ้า มีการฉันเรามีการกระทบของบาตกับของช้อนกับของภาชนะต่างๆอย่างนี้แสดงว่าเผลอสติแล้วขาดความระมัดระวังความระมัดระวังนี่แหละก็คือการมีสติถ้าเราทำอะไรด้วยความระมัดระวังก็แสดงว่าเรามีสติแต่ถ้าเราทำแบบไม่ระมัดระวังก็เราก็ทำแบบพังเผลอก็จะไม่มีสติ แล้วผลดีก็จะไม่เกิดมีแต่จะผลไม่ดีที่จะเกิดตามมาเราจึงต้องเจริญสติอยู่เรื่อยสตินี้ท่านก็สอนให้เราเจริญอยู่ในสี่ที่ด้วยกันคือที่กายที่เวทนาที่ใจหรือคือที่จิตและก็ที่ธรรมคือสวนเบื้องต้นนี้ท่านสอนให้เราเจริญอยู่ที่กายก่อน เพราะกายนี้เป็นจุดที่เกาะติดง่ายที่สุดส่วนเวทนาจิตและธรรมนี้เป็นส่วนที่ละเอียดกว่ากายมากจะเกาะติดยากให้เราผูกใจไว้ให้อยู่กับกายอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายอยู่กับการกระทของกายแลออยู่กับอาการต่างๆของกายก็ได้ เช่นอยู่กับอาการส2สองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ได้มื่อยู่กับสภาพของกายที่ตายไปแล้วก็ได้เช่นเวลาเป็นซากศพไปแล้วเป็นอย่างไรถ้าใจของเราอยู่กับกายอย่างนี้อย่างต่อเนื่องใจของเราจะตั้งมั่นจะสงบง่ายเวลาจะทำจิตให้สงบให้เป็นสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นขอให้เราเจริญสติอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อเราจะได้สัมมาสมาธิก็คือสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องนี่เป็นอย่างไรก็คือจิตที่สงบรวมลงเป็นเอกตาลมสักแต่ว่ารู้นี้เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิคือสักแต่ว่ารู้แต่ไม่มีอะไรให้รู้ ถ้ามีอะไรให้รู้นี้ไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิจะเป็นนิจฉาสมาธิได้เช่นเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นดวงวิญญาณของคนนั้นของคนนี้เข้ามาในขณะที่จิตสงบอยู่อย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี้ต้องนิ่งสงบอย่างเดียวว่ามีเอกตารมและก็มีความสุข สงบเย็นสบายเพราะว่าสั ม, มาสมาธินีจะเป็นฐานของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรต่อไปนั่นเองถ้าไม่มีสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปร์ขั้นสูงขึ้นไปก็จะไม่เกิดขึ้นต้องมีสัมมาสมาธิเป็นตัวคอยสนับสนุน สัมมาสมาธิก็ต้องมีสัมมาสติเป็นตัวคอยสนับสนุนแล้วก็ต้องมีสัมมาวายามโมสัมมาชิโวสัมมาวาจาสัมมากรรมโตเป็นผู้สนับสนุนดังนั้นมรรคแ8ดดีจึงเป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนกันและกันสัมมา ส, ส ม, มาทิศฐิก็สนับสนุนสัมมา สังกัโปคือมีความเห็นชอบก็จะมีความคิดที่ถูกต้องก็มีการกระทาที่ถูกต้องมีความการพูดที่ถูกต้องมีอาชีพที่ถูกต้องมีความเพียรที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องเมื่อมีสมาธิที่ถูกต้องก็จะทำให้มีสมรติมีความคิดที่ถูกต้องสูงขึ้นไปตามลำดับการปฏิบัติก็จะเจริญขึ้นไปเหมือนกับเดินขึ้นบันไดวน มันจะวนไปขึ้นไปเรื่อยๆต่างฝ่ายต่างสนับสนุนกันจนถึงพระนิพพานได้ในที่สุดต้องมีมัชที่เป็นองค์แปดนี้และจะเจริญไปพร้อมๆกันเหมือนกับรถที่จะวิ่งไปพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าจะเจริญองค์นี้ก่อนแล้วก็เจริญองค์นั้นความจริงเราจเจริญองค์ไหนมันก็จะเกี่ยวข้องกับองค์อื่นๆด้วยเหมือนกัน เพียงแต่ว่าเราไม่รู้เท่านั้นเองว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกันเราจเจริญสัมมากรมมันโตเราก็จเจริญสัมมาทิติสัมมาสังกปรไปด้วยทุกอย่างมันจะเกี่ยวข้องกันขอให้เราทําให้ครบก็แล้วกันแล้วรับรองได้ว่าการดำเนินของเรานี้จะไปได้อย่างราบรื่นอย่าไปแบบรถยางแตกจะไปลำบาก อยากจะทำอย่างนี้แต่ยังไม่อยากจะทำอย่างนั้นต้องทำให้ครบทั้งทั้งทั้ง8ดองค์ด้วยกันแล้วเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายที่เราต้องการไปอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของทางตรงที่สุดทางที่ง่ายที่สุดไม่มีทางที่จะง่ายกว่านี้ตรงกว่านี้พระพุทธเจ้าของเรานี่ลำบากกับพวกเรามากท่านเดินทางไกลกว่าเรายากกว่าเราหลายแสนหลายล้านเท่า แต่พวกเหล่านี้แสนจะสบายมีทางตรงมีคนทำทางให้เราเดินเพียงแต่ให้เดินไปเท่านี้เองยังอยากจะหาทางที่สั้นกว่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแทนที่มันจะสั้นยิ่งหามันก็จะยิ่งยาวขึ้นไปอย่างนั้นขอให้เราลืมทางอื่นเสียให้หมดแล้วเอาแต่ทางนี้ทางเดียวคือทางที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทา แล้วรับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวังและจะถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกแม่รวดเร็วที่สุดจึงขอฝากเรื่องของการ ด, ดําเนินทางของที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ดําเนินนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา